ถ้าคิดว่าต้องมีใจรักงานเสียก่อนจึงจะทํางานอย่างมีชีวิตชีวาคุณจะไม่มีวันเจองานอันเป็นที่รักทํายังไงดีถ้าไม่มีใจให้กับงานทํางานอะไรถ้าไม่มีใจก็จบคุณจะรู้สึกเหมือนไม่เคยมีการเริ่มต้นที่แท้จริงจึงไม่แคร์ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่สังกตายไปวั น, วน เอารได้ไปเป็นเดือนๆเท่านั้นความน่าเบื่อของใจที่ไรอารมณ์นั้นมันเกาะกินกัดกร่อนและเกินทนสะสมขึ้นเรื่อยๆในแต่ละนาทีที่ผ่านไปถ้าคุณไปถึงจุดที่บอกตัวเองว่าหยุดไม่ได้หยุดเมื่อไหร่ไม่มีกินเมื่อนั้นนั่นอาจเป็นจุดที่สายเกินไปกับการรู้ตัวว่ามาผิดทาง ถ้าคิดว่าต้องมีใจมีไฟมีความรักงานเสียก่อนแล้วถึงค่อยตั้งใจทำงานอย่างมีชีวิตชีวาคุณจะไม่มีวันเจองานอันเป็นที่รักเราเอาแต่สะสมพายุอารมณ์เกลียดชาังงานจิตใจวกวนจับจดตาสั้นด่วนทิ้งด่วนคว้างกระทั่งถึงจุดหนึ่งแม้เจอหัวใจของตัวเองก็ไม่มีความมุ่งมั่นพอจะลั่นไปหามัน ถ้าจำเป็นต้องทำงานที่ไม่ชอบให้ตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะทำงานเอาสมาธิคอยสังเกตใจว่าเอ่ยเฉยลงเมื่อใดสัดสายซ่านไปทางอื่นเมื่อใดแล้วปรับโฟกัสสายตาใหม่ให้เห็นงานตรงหน้าจากนั้นเคลื่อนไหวให้กระฉับกระเฉงขึ้นและตั้งใจให้จบงานในเวลาที่สั้นขึ้น คุณจะพบว่าความเคลื่อนไหวที่ว่องไวไหลลื่นเป็นส่วนกระตุ้นสมองให้ทำงานกระตือรือร้นจิตใจเป็นสมาธิซึ่งนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจากการทำงานอย่างแท้จริงเป็นรางวัลใหญ่ในตัวเองยิ่งกว่าเป้าล่อเป็นเงินหลายล้านบอกตัวเองซ้ำๆว่านี่ไม่ใช่งานสุดท้ายแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือกลางทาง ก่อนจะไปถึงงานสุดท้ายถ้าไม่ก้าวให้ดีไม่มีวันหน้าแน่ๆสำรวจจิตใจตัวเองทุกวันว่ารู้จักตั้งเป้าเอางานให้เสร็จไหมรู้จักคิดอย่างเป็นขั้นบันไดหนึ่งสองสามไหมรู้จักอดกลั้นปันฝ่าอุปสรรคกับเขาไหมจิตใจแบบนั้นแหละที่ต้องใช้ตอนเจองานอันเป็นที่รัก จิตใจแบบนั้นแหละคือผ่านทองรองรับงานสุดท้ายของชีวิตคุณสร้างจิตใจแบบนั้นตอนยังทำงานที่ไม่มีใจรักก็ได้